การสารฝันพันชีจึงอุทิศจิตกายถวายไว้หวังมีส่วนเผาเทีนลาประชาไทยครูคนใหม่พร้อมใจไฟทำกาถูกคาเป็นหรือจ้าง ก, ก็ช่างเขาเรารู้ ซืบซารเทเล่นนีห้องแพวแปวเปิดปากสองทางพานถูกผิดเช็ดพวงใหญ่มุ่งซอนคนใช้แค่ซอนหนังสือเพียงฝึกปือจำตำรามาสอบไล สิต้องมีคุณธรรมประจังใจปัญญาใสรอเพื่อช่วยเหือเพืออ่อสังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมสอนให้รู้คุณค่าหาคง จื่อจานร้านทับทงรู้คุณค่าประเพณีไทยน้ยมรู้ชื่นชมคนทำดีมีศีลธรรมรู้ตอบแทนผู้มีคุณผู้ถูกรู้นาทีสิบปดมีลวงลัมรู้ส้างส้างประโย กก ร, ร, รู้โชดจัจำวิรกรรมบัรพชนมุมสอนคนใช้แค่สอนหนังสือเพียงฝึกหรือจำตำรามาสอบไล่สิบต้องนี้คุณนักทำประจำใจปัญญาใสยร้อ คือช่วยเหลื อ, อสังคมโอเวลาชีวิตที่พ้นผ่านแม้เนินดานผวมคาพาสุขล่นได้ร่วนช่วยสางคนให้เป็นคนนำตาลน อากแกมแอปผุมงใจตะวันร้อนทอสแสงทองสรงฟ้าฉาบนับพาหลากสีสันผันสดใสวนคำหนึ่งเพิ่งชุยชูยไทยยิ้มละไมรักรู้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว ที่ทพ้นผ่านแม้เดินดานผลคาพาสุขรนใดรวนช่วยสามคนให้เป็นคนนำตาลนอับแกมแอบภูมิใจตะวันร้อนโถแสงทองส่องฟ้าฉาินับพาหลากสีสันหันสดใสวนคำหนึ่ง เพิ่งช่วยชูฤาไท ย, ยิ้มแล้วไม่รักรู้อยู่คนเดียวอยู่คน